ิลินทปัญหาของกรมศิลปากรปุพะประโยคกถาพันนาเรื่อง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 ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสจึงกวาดอยากเยื่อนั้นมาม่วสุมไว้เป็นกองๆแล้วก็ร้องเรียกสมณเร น, น้อยสิทธิ์ใช้สอยของอัตตมาให้ขนเอาอยากเยื่อไปทิ้งเสียจากลานพระเจดีย์นอกบริเวณส่วนว่าสมณเร น, นั้นพานจะอยู่ข้างเกียรติครานพระอาจารย์มาเรียกถึงสามครั้งก็นิ่งเฉยอยู่ทําไม่ได้ยิน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 ว่าด้วยประวัติพระยามิลินครั้นศาสนาสมเด็จพระบรมครูเจ้าล่วงมาตามพุทธทํานายฝ่ายเจ้าสมนเนั้นก็ได้มาเป็นบรมกษัตริย์สรงพระนามบัญญัติชื่อว่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาชาวสาขาราชธานีปันดิโตวิยตโตมีปัญญาเฉลียวฉลาดเมทาวีเป็นนักปราศ ปฏิพโลองอาจที่จะพิจารณาเหตุการณ์อันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรู้สารพัดในพิธีที่จะประกอบการทั้งปวงและรู้ซึ่งศิลปาศาสิบแปดประการและรู้ทั้งพระพุทธว จ, จนะด้วยเป็นสิบ้าประการและศิลปาศาสิบแปดประการนั้นไสยถีทางคือสิ่งไรบ้าง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 นิติรู้ที่จะเป็นครูสั่งสอนเท้าพระยาทั้งปวงประการหนึ่งวิเศษิการู้คาภีและเลี้ยงฝูงชนให้เป็นเซริมงคลประการหนึ่งคณิการู้นับนกขัดตะเลิกรู้ตำราดาวประการหนึ่งขันทภารู้เพลงขับประการหนึ่งติกิจชารู้คาภีแพทย์ประการหนึ่ง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 รู้คำพีพิชัยสงครามประการหนึ่งปาสันดารู้คำพีโลกกววหานประการหนึ่งันทษารู้จักคำพีผูกบทกลอนกาบโคลงประการหนึ่งสิริเป็นศิลปะศาสตร์สิบแปดประการดังนี้วาทีทูราสัตโทอันหนึ่งเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีถ้อยคำสนทนาไพเราะดีนักหนาะ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 พระศาสนาจะเสื่อมสุดเศ้าหมองพระอัสคุดเทระพระผู้เป็นเจ้าจึงอุปโลกบอกกลา่าวชาวพระอรหันต์ให้ประชุมพร้อมกันที่เขาลักขิตะเลนะพระอัสคุดเทระจึงมีวาจาประกาศาพระอรหันต์ทั้งร้อยโกรธว่าพระอรหันต์ผู้ใดโสดอาจสามารถจะแก้ปัญหาของพระยามิลินได้และจะให้พระยามิลิน เลื่อมใสด้วยสติปัญญากู้พระศาสนาขึ้นไว้จะมีพระอรหันต์องค์ใดรับอาสาได้บ้างพระอัศคุดว่าถึงสองสามครั้งดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็นิ่งไปไม่มีพระอรหันต์ผู้ใดที่จะรับวาจาอาทะโข อ, อายัสมาอัศคุโตพระอัศคุดจิงว่าอย่ากระนั้นเลย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 ต้องกระทำการอันเป็นทุจริตอุ่นวายข้าพระพุทธเจ้านี้เหนื่อยหน่ายนักหนามีความปรารถนาเพื่อจะขึ้นไปเกิดในห้องเทวโลกชั้นบนคือชั้นอักนิทอันเป็นสุขกเกษมสารแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะเข้านิพพานเสียที่ชั้นอกนักนิ์นั้นพระอัสสกุลได้ฟังจึงมีเทระวาจาอ้อนวอนว่ามาริส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 ขอพระพรพระอาหารหันต์ได้แล้วหัตถตุโถมีมโนน้ำใจนั้นชื่นบานก็ถวายซึ่งปฏิญาณแก่พระอาหารหันต์ที่ว่าจะจุติลงมาเกิดในมนุษยสยโลกนี้แล้วก็ดุษณีภาพนิ่งอยู่ฝ่ายพระอาหารหันต์ทั้งหลายรู้ว่ามหาเสนเทพระบุตรรับปฏิญาณแล้ว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 เรื่องพระอระหันต์บังคับพระโรหณะเถระให้ไปคอยทรมานน้าเกษกุมารอัญญตโรภิกขุยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามไม่ได้ปรากฏในวาระพระบาลีจึงพระเดียงบอกแก่พระอัศคุดว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่องค์หนึ่งคือพระโรหณะผู้มีอายุ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 พระโรหณะก็สรารภาพว่าข้าพเจ้าหาได้เอาใจใส่ไม่พระอระหันต์ทั้งหลายได้ฟังพระโรหณะสรารภาพดังนั้นจึงมีวาจาว่าเราจะลงพรหมทานให้ท่านกระทําพรหมทานเสียด้วยโทษท่านผิดหาได้มากระทําสังฆกรรมไม่ไม่เอาหูนาตาใส่พระศาสนาพระรูหณะจึงมีวาจาว่า ท่านทั้งปวงจะลงพระมาทันแก่ข้าพเจ้าเป็นประการใดข้าพเจ้าก็จะกระทํามิได้ขัดพระอระหันต์ทั้งหลายจึงแจ้งความว่าดูกะหะพระโรหณนะยังมีบ้านพราหมณ์ชื่อว่าชังคาระคามสถิตแทบใกล้ข้างเขาหิมะผานพราหมณ์ผู้นั้นเป็นนายบ้านชื่อโสนุตระพรามโสนุตระพรามนั้น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 รูปได้หน่อยหนึ่งพราหมณ์นั้นใจเป็นมิจฉาทิฐิก็รึ่งโกรธพิโรธนักหนาจึงไปถามคนที่อยู่บ้านว่าวันนี้ท่านใสบาดบรันรพชิตหรือเจ้ากูบอกข้าว่าเจ้ากูได้หน่อยหนึ่งคนทั้งหลายบอกว่าข้าพเจ้าจะได้ให้วัตถุอันใดอันหนึ่งแก่บันพชิตนั้นหาไม่ได้โสนุตระพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็ขัดใจ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 อาราธนาให้ฉันส่วนพระโรหณะนั้นครั้นฉันแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็เอามือจับบาดไว้สวดพระพุทธว จ, จะนะบทใดบทหนึ่งให้พราหมฟังพอควรแก่อัจฉาใยแล้วก็ลุกไปจากเรือนพราหมไปสู่อารามของอัตมาในการครั้งนั้น เรื่องนาคาเสนกูมานเรียนไตรเพศแต่นี้จะได้วิสัชนาด้วยนาคาเษนกูมานแต่แรกลงปฏิสนธิไปเป็นใจความว่าเมื่อมหาเสนาเทวบุตรจุติจากสวรรค์มาบังเกิดในคันพัญญาพราหมณ์ฝ่ายพัญญาพราหมณ์นั้นก็เป็นนางพรามณีเผ่าพันพรามด้วยกัน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 จึงแต่งที่ไว้ในเรือนตั้งซึ่งเตียงและตังลาดปูไปด้วยบรรจะ ถ, ถอนเครื่องลาดอันดีในที่ริมฝาเรือนจึงมีวาจากับเจ้านาเคเกษกุมานว่าให้เชื้อเชิญพระมณาจาร์ขึ้นสังวัทยายไตรเพศให้เจ้านาเคเกษนั่งฟังพรามสังวัทยายมนโดนคาถาไปตามภาษาข้างใสส่วนเจ้านาเคเกษฟังครั้งเดียว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 อันนึงเจ้าหน้าเกษณกุมานมีปัญญาสอดส่องไปในคำพีปัทกะหนึ่งคำพีพยากรหนึ่งคำพีรรกายตหนึ่งคำพีมหาสุบินลักขณะหนึ่งอันว่าอยู่เมธาอปริฮีโนปัญญาจักขุเห็นปรุปโปรงตลอดไปไม่เสื่อมสุดเห็นไปในศิลปศาสตร์ทั้งสิน้นและคำพีทั้งสี่ที่ว่ามานี้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 โดยสังเขตเป็นอาทิชนีคือให้นั่งทิศ น, น, นั้นดีเรียกว่าอิติหาสะตกว่าไตรเพศก็ดีศิลปะศาสตร์ก็ดีที่พรหมนาจารย์อ่านสังวัทยายให้ฟังนั้นเจ้านาเกษรกูมานฟังครั้งเดียวจำได้เห็นตลอดไปด้วยปัญญาจักขุปรุโปรงเป็นอันดีเล่ากะว่า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 ได้กรรำไบลานหนังสือพราหมณ์นั้นแล้วก็ลีลาดลงจากปราสาสตแล้วก็เดินมานั่งอยู่ที่ประตูศาลาคือประตูโรงที่ในรั้วบ้านของอัตตมาปุพหวาสนาหุนหลังมาตรกเตือนน้ําใจให้ร้อนรนรําพึงอยู่ที่ประตูศาลาอันเป็นที่ระโหฐานที่สงัดไม่อื้ออึงเรียนไปนั่งรําพึงอยู่ที่นั่นถึงเจ็ดวัน เฝ้าพินิษพิจารณาดูไตรเพศศิลปศาสานั้นแต่ต้นจนปลายก็เบื่อหน่ายไม่เห็นที่จะเป็นแก่นสารก็วิปปิสารีเดือดร้อนรำคาญใจมิได้เห็นเป็นประโยชน์จึงว่ากับปากของตนเองว่าโพดูกระชาวเราศิลปศาสตรไตรเพศที่เราร่ำเรียนมาปลาสานิเหมือนลอมฟาง ตุฉานี้เห็นเปล่าไม่เป็นแก่นสารเมื่อเจ้าหน้าคเสณกุมารรำพึงอยู่ในทีร่ระโหฐานดังนี้อายะสมาโรหโนพระโรหณะเถระผู้มีอายุนั่งอยู่ณวัฏตนิยเสนาสนะรู้วาระน้ําจิตของเจ้าหน้าคเสณกุมารจะยินดีมาในพระบวรพุทธศาสนาปัตตะจีวรมาทายะพระผู้เป็นเจ้าลุกจากอาสนะ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 ปราศจากทุกภัยเป็นฉะไหนท่านจึงนุ่งผ้ากาสาวะอันย้อมด้วยน้ำฝาดพระรูหณาจึงบอกว่าอัตมากระทำชนิ้เรียกว่าเป็นบรรพชิตเจ้าหน้าเกษณ์ จ, จึงถามว่าบันพชิตนี้แปลว่าอย่างไรพระรูหณจึงแก้ไขว่าเรียกว่าบันพชิตนี้โสดเหตุปราศจากบาป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 พระโรหณะจิงวิสัชนาแก้ไขว่าดูกอนธารกาอัตมาละเสียซึ่งปริพโธกังวล16ประการอาภรณะปริพโธทังคือปริพโธกังวลด้วยอาพรผ้านุ่งห่มประการหนึ่งอลังการะปริพโธังคือปริพโธกังวลด้วยเครื่องประดับประการหนึ่งกัมมาระปริพโธังคือปริพโธกังวล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 คือกังวลด้วยหาของหอมประการหนึ่งวาสนะปลิโพทังคือกังวลด้วยจะหาของอบรมนั้นประการหนึ่งฮารีตกะปลิโพทังคือกังวลด้วยสมอประการหนึ่งอามะลกะปลิโพทังคือปลิโพดกังวลด้วยมะขามป้อมประการหนึ่งมัตติกาปลิโพทังคือกังวลอยู่ด้วยดินประการหนึ่งสมอมะขามป้อม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 นาเคเสนกุมารก็ชื่นบานหันษาถามพระรูหณาว่ามาริสาข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์สําราญซึ่งสุขนิราชภัยท่านอาจสามารถที่จะบอกศิลปศาสตร์ให้แก่ข้าพเจ้าได้หรือพระรูหณะก็รับคำเจ้านาเคเษนว่าอัตมาจะบอกให้เจ้านาเคเสนยังเป็นทารกยังไม่มีอัจฉริยจริงว่า ถ้ากรณั้นจงบอกให้ข้าพเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เถิดพระรูหณะจึงว่าดูราณะกุมารที่ท่านจะให้อัตมาบอกบัดเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้อัตมาจะไปบินทบาตในละแวกบ้านฝ่ายเจ้าหน้าเกษกุมารก็รับเอาบาตรขามนาการลีลาดไปเรือนบิดามารดาที่พระรูหณะเคยนั่งฉันอยู่ทุกวัน จึงอังคาด้วยขาธิยญโพชนญยะอันประณีตบรรจงกระทำด้วยมือของอัตมาแล้วก็อาราธนานิมนพระโรหณะมาฉันส่วนพระโรหณะนั้นครั้นกระทำพัฒกิจฉันจังหันเสร็จแล้วโอนีตตาปตตะปานีมีพระกรุมบาตอยู่เจ้านาคเสนทารกรับว่าจะเรียนความรู้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 ในการนั้นเรื่องนาเกษณกุมารลาบิดามานดาออกบรรพชาเป็นสมณนน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 จะไปเรียนความรู้วิชาเรียนได้แล้วก็จะกลับมาไม่ควรที่ว่าจะห้ามไว้จึงให้อนุญาตว่ายาทุกยาโศกไปเลยจงกินข้าวปลาอาหารจะไปเรียนความรู้วิชาการก็ตามใจส่วนหน้าเกษมกุมารได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมอภิรมหันษาบริโภคโพชนาอาหารแล้ว ก็ลาบิดามานดาไปด้วยพระโรหณนะพระโรหณะก็พาน้าเกษกุมารไปสู่วั ต, ตนิยาเสนาสนะแล้วก็ไปสู่วิชมพุวัตถุเสนาสนะจะแก้ไขด้วยเสนาสนะที่อยู่อันชื่อว่าวั ต, ตนียะและวิชามพุวัตถุให้แจ้งชัดวั ต, ตนิยะนั้นแปลว่าประเทศควรแก่จะอยู่ กระทำปรนิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานวิชัมพุวัตถุเสนาสนะนั้นแปลว่าเสนาสนะที่อยู่อันปราศจากลาโมกมลทินสะอาดผ่องแผ้วนี่แหละพระรูหณะยับยั้งอยู่ที่นั้นคืนหนึ่งแล้วก็พาเจ้าหน้าคเสณกุมารอันตรทานหายไปปรากฏที่ถ้ำรักิตะเลนะตรงหน้าพระอรหันทร้อยโกรธ อันลงโทษพรหมทันแกอัตมาด้วยประการดังนี้เตนะโขปณะสมเยนะโกติสตาอรหันตานาคเสนะทารกังปภาเชนติปภะชิตโขปนายัยสมานาคเสโนอายสมันตังโรหนังเอตะทวุจักหิโตมายาตวังเอโสมังสิปานิสิกาเปตูติ เตนะขปนณะสมเนะในการปางนั้นพระอระหันต์เจ้าทั้งหลายโกติสตามากมายกำหนดได้ร้อยโกดก็ยังเจ้าหน้าเกษกุมานนั้นให้บวชเป็นสมมเนนที่ถ้ำคูหาอันชื่อรักขิตะเลนะเมื่อเจ้าหน้าเกษบวชเป็นสมมเนนแล้วจึงมีวาจาว่ากับพระโรหณะว่าพันเต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 เรื่องหน้าเกษณ์สมณเนรเรียนพระอภิธรรมปิดกส่วนว่าพระโร h นะจึงจินตนาคำหนึ่งรำพึงว่าปันดิโตเจ้าสมณเนรน้าเกษณมีปัญญาฉลาดอัตมาจะบอกให้เรียนพระสูตรพระวินยัยพระสูตรพระวินัยตื้นไม่ลึกล้ำเหมือนพระประมัตถธรรมจาอัตมาจะบอกพระอภิธรรมให้เถิดดําริแล้ว ก็บอกพระอภิธรรมมัทะอันประเสริฐให้ทั้งเจ็ดพระคำผีคือพระสังคนีหนึ่งพระวิพังหนึ่งพระทาตุกถาหนึ่งพระบุคลาบัญญัติหนึ่งพระกฐาวัตถุหนึ่งพระยมกหนึ่งพระสมันตะมหาปฐานหนึ่งสมเป็นเจ็ดพระคำผีด้วยกันนาาเกษนสมเนนั้นมีปัญญาจักูุเห็นปลุโปรงไม่กังขาสกิง แต่บอกให้วาระเดียวในพระสัตตปการนาพิธ ร, รมทั้งเจ็ดคำภีว่าสมเด็จพระชินสีห์เจ้าตรัสเทศนาอาศัยแก่สามบทคือกุสลาธรรมาอากุสลาธรรมาอพยกตาธรรมาเท่านี้แตกออกไปเป็นสัตตปกรณาพิธ ร, รมทั้งเจ็ดพระคมภีประการหนึ่งพระอภิธรรมสังคณีตั้งเป็นต้น พือกุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาอัพยาการตาธรรมะมประดับประดาไปด้วยทุกกะมาติกาและติกะมาติกาเท่านี้แหละในคำพีพระวิพังนั้นประดับด้วยอัฐารสาวิพังมีขันธะวิพังเป็นต้นเป็นประธานมาในคำพีพระทาตุกถานั้นมีวิพัฒแจกจำแนกไปได้สิบสี่บทเป็นต้นว่า สังขโหะอสังขโหนี้และในคำพี พ, พระบุคละบัญญัติมีวิพัตจำแนกเป็นฉับพิธบทหกบทมีขันธะบัญญัติและอายตนะบัญญัติเป็นประธานมาและในคำพี พ, พระกถาวัตถุนั้นสุตตะสหัดสังประชุมสูตรไว้พันหนึ่งมิได้น้อยเป็นส ก, กวาทีห้าร้อเป็นประวาทีห้าร้อย จึงสิริเป็นพันหนึ่งด้วยกันในคมพีพระยะมกนั้นวิพัชนาการจำแนกแจกเป็นทศพิทบทได้สิบมีมูละยะมกและขันธยะมกเป็นประธานมาในคมพีพระสมันตะมหาปทานนั้นวิพัชนาการจำแนกแจกเป็นจตุวีสติปัจจัยได้ยี่สิบสี่มีเหตุปัจจโยอารัมณะปัจจโยเป็นประธานดังนี้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 จงบอกให้มากยิ่งขึ้นไปจะขอรออยู่ปรนิบัติสอดส่องให้ชัดเจนว่าแล้วหน้าเขเสเนสัมมนนก็ลาพระอาจารย์เป่าวิสนาการเข้ามณฑลมาละกะแปลว่าศาลาสนามธรรมจึงจำเริญมานาสิการในใจว่านุโขดังอัตมารำพึงไปแท้จริงกูหิงจะได้อัดแปลว่ากไร ในบทว่ากุสลาธรรมาอาุสลาธรรมาและอัพยากตาธรรมาน้าเกษณนสมนเนินจำเริญมานาสิการพิจารณาสกิงหนเดียวก็คิดเห็นเป็นอัตถกรรมฐานว่าบทกุสลาธรรมาจะมีอัตถคถาอย่างนั้นอาุสลาธรรมาจะมีอัตถคถาอย่างนี้ด้วยปัญญาบารมีกระทำไว้แต่ชาติโลน เรื่องนาเคเกษมสมเนินไปหาพระอรหันท ร, ร้อยโกรธพระอรหันท ร, ร้อยโกรธสถิตณด้าวแดนใดนาเคเกษมสมเนินก็เข้าไปสถานที่นั้นครั้นถึงอภิวันว่ายดูนี่งามผ่องใสไปทั่วอินทรียอายุพอได้เจ็ดปีเป็นเนน้อยกระจ้อยร้อยรูปงามประนมกรประนามนบนอบเหนือสีโรธ อรหันตานังเอตัทโวจะจึงบอกพระอรหันร้อยโกรธว่าข้าพเจ้าจะสำแดงพระสัตต ป, ปกรณาพิธรมที่พระอุปชาบอกนี้ให้มีอัดวิษฐานออกไปพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีใจจึงนิมนต์ให้สมเนต น, นาเกษน ส, สาแดงโดยวิฐานพระสมเน น, นาเกษนก็วิสัชนาอยู่ประมาณเจ็ดเดือนจึงจบขณะนั้น เกิดอัศจรรย์ทั่วพิพพกอินพรมบรมเทวราชปัทวีอุณาธิก็วาดไว้ไปทั่วปัทภีมีกล้องบรลือลั่นเทวาหสันติฝ่ายฝูงอมรคนนานิกรสุรางนางเทพพระอับศรสาวสวรรค์นในชั้นฉะกามาวจรก็ร้องซ้องสาธุการยินดีด้วยปัญญาบารมีสมเนนพระมาอภโตนติ ใช่แต่เท่านั้นท่านเท้ามหาพรหมเป็นบรมจอมพิภ พ, พก็ตบพระหัตตัสันเสริญศีลปัญญาคุณอันว่าหาฝนบุพผามนทาทิพจันจุนสารพียี่สุนพิกุลโยทกามหาหงส่งกลิ่นอันหอมนั้นอภิปวัตสันติบ้างก็เลื่อนลอยบ้างก็ปลปอยป่อยเป็นฝ อ, ฝอยฝนตกลงมา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 ศาสนาของสมเด็จพระโลกนายกเจ้าจะรุ่งโรโชดตนาการไปในการนี้ นาคเกษนสัมมาเนนอุปสมบทอถัคโหโกติสตาอารหันตาลำดับนั้นครั้นเจ้านาคเกษนสัมมาเนนอยู่มามีพระวัดสายี่สิบท้วนกาหนดพระอรหันต์ร้อยโกดก็ให้อุปสมบทเป็นภิกษุภาวะในพระศาสนาตัดสารัติยาอัจเยนะครั้นพระนาคเกษนสัมมาเนนเป็นภิกษุภาวะแล้ว นิมิตรุ่งร้างสว่างแผ้วอรุณขึ้นมาปตตะจีวรมาทายะพระผู้เป็นเจ้านุ่งสบงทรงจีวรพระกรจับบาทหลีลาดตามพระอุปชาข้ามังปินดายะเข้าไปสู่บ้านเพื่อจะเที่ยวพิขาจา์โคจรบินทบาทพระนาค เ, เสน จ, จึงปริวิตกว่าพระอุปชาของอัตมานี้ตุดโฉเปล่าเขานักหนา รู้แต่พระสัตตปกรณาพิธรรมเท่านี้จะได้รู้พระคาถาบาลีพระพุทธวจนะอื่นๆหาไม่ได้ส่วนพระโรหณะผู้เป็นอุปชาก็รู้วาระน้ำใจจึงมีเถรวาจาว่าดูกระอาวุโสท่านวิตกดังนี้มิควรแก่ตัวท่านมิควรแก่ตัวเราฝ่ายพระนาค เ, เสษน์ได้ฟังดังนั้นก็ดาริว่าโอหนอ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 เราจะว่ากับท่านอีกทีเป็นคำรบสองครั้งถ้าท่านยังกรุงมิลินทราธิบดีให้เลื่อมสายได้แล้วเมื่อใดอาตมาก็จะงดโทษให้เมื่อนั้นส่วนพระนาคเษนครั้นพระอุปชาว่ากรณีก็รับคำพระอุปชาแล้วจึงถามว่าในไตรามาสนี้พระอุปชาจะให้ข้าพเจ้าอยู่ที่สำนักพระอุปชานี้หรือหรือว่า จะให้ข้าพเจ้าไปอยู่ในสำนักผู้ใดเล่าส่วนพระโรหณะผู้เป็นเจ้าจึงว่าดูกระอาวุโสยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งมีนามก่อนชื่ออัสคุดท่านอยู่ที่วัดตนิยะเสนาสนะอาวุโสจงไปไหว้นบเคารพท่านแล้วบอกว่าอาตมานี้เป็นอุปชายาาจารย์จงบอกกับท่านว่า อัตมาให้ถามท่านว่ายังค่อยสำราญเป็นสุขหาทุกข์ไม่ได้หรือประการใดอาวุโสถามไถ่แล้วจงขอจำวัต ส, สาอยู่ด้วยท่าน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 พระอัสะคุดไม่รู้จักชื่อจึงถามว่าดูกะระอาวุโสท่านชื่อไรเล่าพระนาคเษนจึงบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนาคเสนพระอัสสคุดจะลองปัญญาจึงถามว่าชื่อของอัตมานี้ชื่ออะไรพระนาคเษนจึงว่าชื่อของพระผู้เป็นเจ้านี้พระอุปชาข้าพเจ้ารู้จักอยู่พระอัสคุดจึงถามว่า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 ตลอดบวารณาพระวสสาฝ่ายพระนาคเษนก็ปรนิบัติพระอัสสคุดเถระกวาดบริเวณที่อยู่ทั้งหลายเอาอุทากังบ้วนปากกับไม้สีฝันมาตั้งวางถวายไว้ฝ่ายพระอัสคุดก็ไม่ได้เอาอุทากังและไม้สีฝันนั้นมาชําระกิจบริเวณที่พระนาคเษนกวาดนั้นก็กลับกวาดใหม่แต่อย่างนี้ ตลอดไตรมาสประวารณาพระวัตรสาเรื่องพระนาคเษนภิกษุไปฉันที่บ้านหญิงอุปถากพระอัศคุถเถระ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 แล้วก็นิสัชนาการนั่งเหนือที่อาสนะลาดบูไว้ส่วนอุบาสิกาก็มีศรัทธาเลื่อมใสผ่องแผ้วจัดแจงขาธิยะโพชญยะแล้วก็ถวายให้ฉันพระอัสคุตนั้นกระทำพัฒกิจแล้วโอนีตะปตตะปานีมีกรจับบาทไว้จึงให้อุบาสิกาตามพระทีพที่บูชาแล้วสั่งให้พระนาคเษนภิกษุ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 มิให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมีแต่ว่าจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ไม่รู้แล้วเหลือที่จะพันน า, นาสัพพันตังอันว่าสมุทยยธรรมนั้นมีสภาวะเป็นนิโรธธรรมดับศูนย์สิส้นแล้วจะปราศจากมวลถิ่นสิ้นราคาที่กิเลสเข้าสู่พระนิเวศสถานนิพพานเมืองแก้วอันแพ้วจากทุก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 เทวดามากกว่าแสนก็ตบมือชื่นชมอภิรมสาธุการว่าท่านทั้งปวงเอ๋ยอัศจรรย์ น, นักหนาด้วยพระหน้าเกษรเจ้าอนุโมทนาด้วยคาถาคำเพียรภาพควรจะอนุโมทนาว่าแล้วก็ยิ่งยินดีปรีดาทิพพะจุนานี้ก็โปรยลงมาซึ่งจุนสุคนธาทิพส ก, การบูชา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 ใกล้หรือไกลสักเท่าไหรเล่าพระเจ้าข้าพระอัสคุจจริงบอกว่ามรารขาไกลได้ร้อยโยต์พระนาคเษน จ, จิงว่าโปรดเถิดข้าพระเจ้านี้เห็นว่าจะประดักประเดิดทางลำบากบ้านที่จะบินธบะจะมีหรือประการใดพระอัสคุจจิงว่าไปเถิดจะได้ประดักประเดิดนั้นหามิได้เออ ท่านไปในระหว่างมราคาที่ลีลาดจะได้บินทบาททั้งจะได้จังหันสาลีอันประกอบด้วยกับปีต้มแกงทุกประการจะได้กันดานหามิได้พระหน้าเกษรได้ฟังก็ดีใจว่าทีนี้จะได้ไปเล่าเรียนดัมริแล้วก็กระทำประทักษิณสิ้นตติยะวานเวียนเป็นสามรอบนอบนบอําลามาไปตามมราคาประเทศทางไกล พระนาเคเสษนภิกษุแสดงพระอภิธรรมแก่เศรษฐีคนหนึ่งที่กลางทางขณะนั้นยังมีเศรษฐีอยู่ในเมืองปาตลีบุตรนครสัญจรไปค้าขายในชนบททั้งหลายครั้นขายของแล้วก็บรรจุสินค้าใหญ่น้อยบรรทุกเกวียนห้าร้อยแล้วเข็นขับกลับมาได้ทัศนาการเห็นพระนาเคเสษนแต่ไกลจึงให้หยุดเกวียนไว แล้วจึงถวายอภิวันวต์ไหว้ไต่ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจักไปสู่ประเทศอารามไหนพระนาคเกษน์เเนก็บอกว่าอัตมานี้จะไปสู่ปาตลีบุตรนครเศทีได้ฟังก็ชื่นชมอภิรมสโมสจรจึงมีสุนทรลวาจาว่าถ้ากระนั้นนิมนต์ไปด้วยกันส่วนพระนาคเกษน์เเนจึงว่าคำอันท่านว่านี้ เป็นกุศลอันดีส่วนเศรษฐีดูอิริยาบถของพระผู้เป็นเจ้านั้นเล่าก็ละม่อมละไมมีน้ำใจศรัทธาจึงตกแต่งขาเทนิยะโภชนิยะด้วยมือของตนนิมนต์ให้ฉันแล้วประวรณาไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์สิ่งไรก็บอกเล่าแก่ข้าพระเจ้าเถิดเมื่อพระหน้าเกษรกระทำพัตกิจแล้วเศรษฐีนั่งอยู่ที่อาสนะอันตำ่ำ มีน้ำจิตจะใคร่รู้นามจึงใต่ถามพระนาคเกษพระนาคเกษบอกนามชื่อนี้ชื่อนี้เศฐีจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้ารู้พระพุทธวจนะอยู่หรือพระนาคเกษก็บอกว่าอัตมานี้รู้แต่พระอภิธรรมเศฐีกล่าวถ้อยคำว่าข้าพเจ้าก็รู้พระอภิธรรม เราทั้งสองจะได้ท่องทานสังวัชยายด้วยกันถ้ากรณนั้นขออรัธนาเทศนาให้ข้าพระเจ้าฟังสักหน่อยครั้งนั้นพระนาคเษนก็สำแดงพระเทศนาเศรษฐีได้ฟังก็ชื่นบานหันษาได้ธรรมจากขุคือปัญญาจากขุอันหามนทินทุลีราขีไม่ได้อุทปาพิก็บังเกิดเห็นแจ้งประจักษ์ในสมุทยธรรม และนิโรธธรรมเหมือนอุบาสิกาที่วิสัชนามาแต่หลังครั้นจบพระสัทธรรมเทศนาเศรษฐีก็ให้ท่าดกรรมกรของอัตมาเทียมเกวียนห้าร้อยเข้าแล้วก็ขับไปตามมาราคาพาพระนาคเษนไปครั้นจะใกล้ถึงป่าตลีบุตรนครเข้าเศรษฐี จ, จึงว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทางนั้นอย่าเพิ่ไปก่อน นิมนต์ให้พรแก่ข้าพเจ้าพระนาคเกษจึงตอบเล่าว่าอัตมาเป็นภิกษุจะให้พรสิ่งไรเศสถีจึงว่าพอรอันใดที่ควรแก่พระผู้เป็นเจ้าจะให้ได้ข้าพเจ้าจะรับประทานไว้พระนาคเกษจึงว่าถ้ากระนั้นท่านจงรับเอาพอรคือการกุศลอย่าประมาทลืมตนให้การกุศล พร อ, อันนี้มีผลโดยสุดจริตรูปประสิทธิ์ให้อุบาสกขณะนั้นเศรษฐีจึงถวายผ้ากำพลแดงผืนหนึ่งยาวส6บหอกกว้างแปดอกแก่พระนาคเษนพระนาคเษน ก, ก็รับเอาผ้าส่วนว่าเศรษฐีมีกรประนมเหนือสีโรธโสมนัสสาปราโมทแล้วก็ถวายปฏิญาณแล้วก็ถวายนามั ส, สการกระทําประทักษิณ แล้วลามาสู่ปาตลีบุตรนครส่วนพระนาคเษนก็สัญจรมาสู่อโศการามอันเป็นที่อยู่แห่งพระธรรมรักขิตนั้นครั้นถึงจึงก้มกล้าวนามัสการพระมหาเถระว่าขอพระคุณเจ้าจงกรุณาบอกพระพุทธวจนะให้แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้ตถาในการนั้นยังมีพระติสะทัตตาพิขูรูปหนึ่ง ไปเรียนพระพุทธวจนะเป็นสิงห์ผลภาษาในเมืองลังกาจบแล้วปรารถนาจะเรียนพระพุทธวจนะอันเป็นมคคภาษาจึงโดยสารสำเพามาสู่ชมพูทวีปนี้จึงไปสู่สำนักพระธรรมรคิดนมัสการแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่นั่นได้ยินคำพระนาคเษนว่าจะขอเรียนพระพุทธวจนะดังนั้นจึงว่าขึ้นบ้างว่า ข้าพเจ้าอุตสาหมาแต่ลังกาก็ปรารถนาว่าจะเรียนพระพุทธวจนะขอพระคุณเจ้าจงบอกพระพุทธวจนะให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดฝ่ายว่าพระธรรมรักขิตนั้นจึงว่ากับพระนาคเสนว่าอาวุโสดูกะระท่านท่านจงเรียนพระพุทธวจนะให้พร้อมกันด้วยเจ้ากูติดสะทัตตจงสังวัชยายให้พร้อมกันทีเดียว อย่าร้อนรนเลยเราจะบอกให้แก่ท่านพร้อมกันทีเดียวในการบัดนี้พระนาคเสนจึงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้ามิอาจที่จะเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันด้วยคําสิงหผลภาษาได้ด้วยพระติสัทตานี้เจรจาเป็นสิงหผลภาษาด้วยประการดังนี้ เรื่องพระนาเคเกษนภิกษุเรียนพระไตรปิฎกกับพระธรรมรกคิดตั้งกิสสะเหตุเป็นคำปุจฉาว่าเหตุไฉนเมื่อพระอาจารย์ว่าจะให้พระติสะทัตตกรับพระนาเคเกษนเรียนพระพุทธวจนะพร้อมกันพระนาเคเสสนั้นว่าไม่เรียนพร้อมกันด้วยพระติสะทัตตะกล่าวคำสิงหนภาษาวิสัชนาว่า พระนาคเกษสําคัญว่าอาจารย์จะบอกพระพุทธวจนะเป็นคําสิงหลนภาษาคําสิงหนภาษานี้เป็นคําวิเศษคนชาวประเทศสาคลราชธานีจะได้เข้าใจหามิได้พระนาคเกษนั้นตั้งใจจะเรียนพระพุทธวจนะที่จะให้เข้าใจชาวส า, ลาคลนครมีกรุงมิลินนรินทร์เป็นประธานเหตุชะนี้ จึงขัดอาจารย์อาจารย์ว่าให้เรียนด้วยการท้วนถึงสามครั้งพระนาคเษนถอยหลังคิดได้ว่าอาจารย์ไม่บอกโดยสิงหนภาษาดอกจะบอกเป็นมคคภาษาแล้วพระนาคเษนมาดําริว่าอาตมากล่าวถ้อยคำว่าไม่เรียนด้วยชีต้นสิงหนภาษานี้เป็นคำไม่ดีดูหยาบช้าเป็นภาริยกรรมเกินนักหนา พระนาคเกษนคิดแล้วจึงขอขมาพระติสสะทัตตพระติสสะทัตตก็รับขมาว่าสาธุแต่นั้นมาพระนาคเกษก็เรียนพระพุทธวจนะในสำนักพระธรรมระคิดพร้อมด้วยพระติสสะทัตตเทระท่องสังวัทยายทีฆนิกายด้วยนิเทศสำแดงเหมือนกันอันเดียวกันก็เรียนพระพุทธวจนะเป็นพยัญชนะนั้น สามเดือนเรียนพระพุทธวจนะเป็นอัตถกถาสามเดือนสิริเป็นหกเดือนด้วยกันจึงจบพระไตรปิฎกทั้งตัวและอัตถกถาพระธรรมรักิตเห็นพระนาคเสณเป็นปุถุชนอยู่จึงมีเถรวาจาเป็นทางจะให้รู้โดยคำอุปมาว่าดูกะระนาคเสณภิกษุธรรมดาว่า นายโคบาลเลี้ยงโคไม่รู้จักรสนมโคผู้อื่นได้ซึ่งน้ำนมโคกินรู้จักรสน้ำนมโคว่ามันหวานไสยถาปิแม้เปรียบปานฉันใดบุคคลที่เป็นปุถุชนนาะไปด้วยราคาที่กิเลสจะทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอันวิเศษนี้มิได้รู้รสแห่งสามัญญภาคีคือมรรคผล อันเป็นส่วนควรแก่สมณะเปรียบปานเหมือนนายโคบานรับจ้างท่านเลี้ยงโคและรูดนมโคขายมิได้ชิมลิ้มเลียรสนมโคชั้นใดท่านจงรู้ด้วยประการดังนี้ เรื่องพระนาคเสนภิกษุได้สำเร็จพระอาหารหันต์พระนาคเสนได้ฟังคาถาอุปมาจึงมีวาจาว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดงดพระพุทธว จ, จนะก่อนอนุสาสิตังที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งสอนเอตะกังกำหนดเท่านั้น ข้าพเจ้าจะผ่อนผันพิจารณาดูให้รู้รสสามัญญภาคีพระนาคเสนว่าเท่านี้แล้วก็ลามาสู่อาวาสปัญญาฉลาดปลงลงในวิปัสสนากรรมฐานส่องปัญญายานไปก็ได้สำเร็จในพระจัตุราริยสัตว์ก็ได้พระอรหัตตะปฏติสัมพิธาเตเนวะรติภาเคนะ โดยภาคราตีวันพระธรรมรคิเทระให้ในัยนั้นแท้จริงปะทวีอุณาธิขณะนั้นเกิดอัศจรรย์แผ่นดินบรนลือวันไหวไปมาเหตุชนี้พระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่าอาติจละลติปะทวีอุชุยันตังวะปีลิตังเตละยันตังยะถาจักกัง เอวังกัมปิจะเมทนีสังขุพิโสสมุทโทจะคิรินโทตถาโอณมิโอนมิตวาสิเนรุมหิหิงหิงสัทโทรปรวัตตีติแปลความในพระคาถาว่าอุชฉุยันตังอันว่าหีบอันบีบน้ำอ้อยเสียงสนัน่นฉันใดแผ่นดินก็กึกก้องร้องวันไหวไปมีอุปมาเหมือนดังนั้น เตละยันตังอันว่าหีบบีบน้ำมันทุบตีน้ำมันด้วยกงจากหันผัดผันไปยะถามีครุวนาชันใดเมทนีไหววันเวียนไปก็ปานกันสมุทโทสาคอนก็สนันเป็นมรลอกฉลาสินคิรินโทอันว่าพระยาเขาเมรุมาตโอนมิก็โน้มยอดเอ็นเอียง หิงหิงสัตโทอันว่าสัท ธ, ธะสำเนียงกระหึ่หึ่งหึงห่งประวัตติก็ระดมดังอึงไปเกลื่อนกลุ่มสิเนรุมหิในสิเนรุราชสิงห์ขอนเขาหลวงหลักโลกเลิอดกว่าเขาทั้งปวงปางนั้นฉันชะกามาพจรมูอามอนสุรางคานิกรก็สมสรสาธุการเชยชมพรหมเจ้าฟ้าในมหาโสรถ เสียงตบพระหัตตัดสรรเสริญซึ่งศีละคุณหาฝนทิพจันจุนมนธาทิพบุภาในช่อชั้นฟ้าทุกเพศพันธ์อภิปวัตสันติยิ่งตกลงมาประหนึ่งว่าจะมีวิญญาณบูชาขณะเมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุพระอรหัตตาพิเศษเป็นอริยะเอกอรหันต์ในการนั้น เรื่องพระอรหันต์มาเตือนพระนาคเกษให้ไปทรมานพระยามิลินเตนะขูปะณะสมัยณนะปัญจกโกติสตาอารหันตาแท้จริงสมัยปางนั้นโสดพระอรหันต์เจ้าร้อยโกรอันสถิตณถ้ำรักขิตะเลนะทราบว่าพระนาคเกษ ส, สำเร็จอภินิหารก็ใช้พระขีนาสวะทูตนำข่าวสารบัญชาการให้หาพระนาคเกษ พระนาคเษนก็เข้าฌานบัดเดี๋ยวก็อันตรฐานหายมาปรากฏขึ้นที่บันพศคูหาหิมะผานแล้วนมัส ก, การถามว่าข้าแต่พระสงฆ์เถระท่านทั้งปวงให้หาข้าพระเจ้ามาด้วยกิจเป็นประการใดฝ่ายว่าพระสงฆ์เถระเจ้าทั้งปวงนั้นจึงมีเถระวาจาบอกว่าดูกะระอาวุโสบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคละนครนั้น เบียดเบียนพระอระหันต์และพระภิกษุทั้งหลายนักตั้งแต่จะเที่ยวซักถามปริศนาและหาบุคคลผู้ใดจะพยากรกล่าวแก้ไม่ได้ก็อาุโสจงไปแก้ไขปริศนาทรมานพระยามิลินให้เสียพยศอันร้ายพระนาคเษนจึงว่าอย่าว่าแต่พระยามิลินเลยบรรดาพระยาอยู่ในชมพูทวีปที่มีปัญญาเหมือนพระยามิลิน ถึงจะซ้อนตัวต่อศรีรษะกันเข้ามาสักถามปัญหาตื้นลึกประการใดข้าพเจ้าจะแก้ให้สิ้นสงสัยให้มีพระทัยยินดีนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงนี้อย่าช้าจงไปสู่สำนักพระเจ้ามิลินณนะเมืองสาขละนะครอย่าได้ปรารมสะดุ้งหวั่นไหวจงมาไปกับข้าพเจ้าในการบัดนี้อัทโขเถรา ว่าพระมาหาเถระเจ้าทั้งหลายก็กระทากาสาว่าประโชธคร้นยอมตากลำดับภาพจีบแล้วก็จะ บ, บาทบริขารที่จะขมานาการมากับพระนาคเสน เรื่องพระยามิลินเสด็จไปถามปัญหาพระอายุปาละเทระที่อสงขัยบริเวณเตนะโขปนะสมยเยนะแม้ในสมัยปางนั้นยังมีพระมหาเทระผู้หนึ่งมีนามกรชื่อว่าพระอายุบาลปัญจนิกายิโกชำนาญในนิกายห้าพระผู้เป็นเจ้าอาศัยอยู่ในอสงขัยบริเวณตาทาในการนั้น ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทรบรมกษัตริย์ทรงพระดำริในพระไยว่าแพ้จริงสมณะและพราหมงทั้งหลายนั้นพระอรหันต์ก็ดีแต่บรรดาที่เป็นเจ้าคณะเจ้าหมู่ใครผู้ใดหนอที่จะรู้พระพุทธวจนะแก้ไขวิมุตติสงสัยของอัตมาอัตมาจะเข้าไปสู่หาผู้นั้นอโทสินารติ ราตรีวันนี้งามเลืยอรัสมีพระจัน์แจ้งกระจ่างปราศจากมนทินโทษสรงพระดำมริแล้วก็โปรดมีพระราชาองการตรัสถามราชาเสวกโยนกห้าร้อยเหมือนทรงพระราชาดำารินี้ข้าราชการก็ทูลว่ายังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งชื่อว่าอายุบาลชำนานในนิกายห้าอาศัยอยู่ในอสงไขยบริเวณนั้น จึงมีพระราชองค์การพระพาศให้อมาดคนหนึ่งออกไปบอกพระอายุบาลว่าพระราชองค์การพระพาศจะออกมาหาสนทนากันส่วนพระอายุบาลนั้นก็ว่าจะเสด็จมาก็เสด็จเถิดอมาดจึงเอาถ้อยคำพระอายุบานี้ไปกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรณีบดินมิลินบร ม, มกษัตริย์ได้ทรงฟังก็หันษา มีหมู่อยู่นกเสนาห้าร้อยแวดล้อมแห่ห้อมเป็นยศบริวารส่วนสมเด็จพระภูมิบาลเสด็จด้วยรถเทียมด้วยศิลทบงามบรรจงพร้อมด้วยจัตรุรงคนิกรอยู่ทีเสนีเสนามิชาก็ถึงบริเวณจังหวัดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสให้หยุดพิชัยราชรถทรงไวเสด็จไปด้วยบวรเบื้องบาดเปล่า เข้าสู่สำนักพระอายุบาลนมันส ก, การแล้วกระทำปฏิสันถานโอภาปราศัยกันไปมาจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัพชาอันว่าบัพชาของพระผู้เป็นเจ้านี้โกประมาโถเป็นอัดอันอุดมอย่างไรพระอายุบาลแก้ไขวิสัชนาว่า มหาราชะดูราณะบ่อพิษอันว่ากิจบรรพชานี้จัดว่าเป็นธรรมจริยาและสมจริยาประพฤตจะให้เป็นประโยชน์เป็นผลแก่ฟูงเทวดาและมหาชนชะนี้แหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทร์จอมกษัตริย์คัดข้อสักถามว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขิหฮีธรรมจารีถ้าว่าเป็นขราวาดเล่าเป็นธรรมจารีสมะจารีประพฤติธรรมประพฤติเสมอเป็นอันดีโกจิอัติจะมีวิเศษบ้างหรือหาไม่ได้พระอายุบาลแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารขราวาดที่ประกอบการเป็นธรรมจารีสมะจารี ยินดีเลื่อมใสเชื่อคุณพระรัตนตรยัยสมาทานถือไว้มั่นคงทรงศีลห้าประการทรงศีลแปดประการให้ทานภาวนาอุตสาฟังธรรมชื่อว่าเป็นธรรมจารีสมจารีก็จัดว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์เป็นผลแก่อมอนขนานิกรมหาชน ครั้นเมื่อสมเด็จพระทศพลยังมีพระชนมายุอยู่นั้นโสดสเสด็จยังพารานสีนครโปรดประธานธรรมเทศนาพระธรรมจักรกับประวัตินะสูตรแก่ปัญจะวะคีพิขุในปาอิสิปตนะมิขทายวันครั้นจบลงแล้วพรมทั้งหลายสิบแปดโกดได้ฟังก็สำเร็จประโยชน์ได้มรรคผลเป็นอริยะบุคคลอันอุดมพรมทั้งหลาย ย่อมเป็นครืหัสอยู่หมดจะได้อุปสมบทบรรพชาหามิได้ครั้นสมเด็จพระบรมโลกนาดโปรดประธานพระสัท ธ, ธรรมเทศนามหาเวสสันตะปริยายและขะทีรังคาระปริยายลาหุโลวาทะปริยายแทบประตูเมืองสังกัสะฝูงบริษัทยี่สิบโกดสำเร็จประโยชน์ได้มักผลคนทั้งหลายนั้น กับทั้งเท พ, พดาทุกชั้นชะกามาผจรพรมคณาในห้องโสรถเป็นครืหัดหมดจะได้อุปสมบทบรรพชาหามิได้เมื่อพระอายุบาลแก้ไขดังนี้กรุงมิลินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตอายุปาละข้าแต่พระอายุบาลผู้เป็นเจ้าครหัดเหล่านั้นกับบรรพชาของพระผู้เป็นเจ้านี้ก็เสมอกัน สุดแท้แต่ว่าใครปรนิบัติดีแล้วก็ได้มักผลเสมอกันที่ถือบรรพชาดุดสมณะทั้งหลายอันเป็นสากยบุตรพุทธชิโนรสของสมเด็จพระทศพลเจ้าอันทรงธุดงต่างๆนั้นชะร่อยว่ากรรมได้สร้างแต่ปางหลังถือเอกาฉันจังหันหนเดียวแต่ชาติก่อนเป็นโจรเที่ยวปล้นชาวบ้านไปตีชิงอาหารเขาครั้นชาตินี้เล่า ผลกรรมนั้นดนจิตให้ชันหนเดียวดูบรรพชานี้ไม่มีผลถึงจะรักษาศีลสังวรวิไนก็ไม่มีผลและที่ว่าจะรักษาตะบะชานก็ไม่มีผลจะรักษาซึ่งพรหมจรันรยร์ก็ไม่มีผลแล้วพระผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่าที่ท่านถือธุดงอภโภกาดมิได้อยู่ในเสนาสนะ แต่ปุปพชาติก่อนนั้นเป็นโจรเที่ยวปล้นกระทําอกุศลทุจริตร้ายทําลายบ้านเรือนท่านให้เจ้าของต้องทรมานกินกลางดอนนอนอนาถหาอาสนะไม่ได้ผลอกุศลก็ดนใจให้ถืออัภโรกราดหาอาสนะนั่งนอนไม่ได้ทุกองคุณที่รักษาไว้จะได้ชื่อว่าศีลก็หามิได้จะเป็นตบะหามิได้ จะเป็นพรหมจรรย์ก็หาไม่ได้ศูนย์เปล่าประการหนึ่งเล่าที่ท่านถือทุดงอันชื่อว่าเนสัตชิกะนั่งลืมจักสุอยู่ไม่จำวัดนั้นฉลอยชาติก่อนจะเป็นโจรหยาบช้าเป็นโจรใจร้ายรามาคอยปล้นที่หนทางตีต่างตีเกวียนเบียนบุกบั่นเข้าตีรันครั้นจับเจ้าของได้ก็ผูกมัดรัดมือไว้ เก็บข้าวของโคกระบือไปได้กระทําไว้แต่ชาติหลังนั้นจึงพอเพอิญให้สําคัญผูพกพันเอาเนศชิกะทูดงจะนอนลงไม่ได้นั่งลําบากตากตาอยู่โยมคิดดูซึ่งทูดงนี้ไม่มีผลจะเป็นศีลก็หาไม่ได้จะเป็นตบะ ก, ก็หาไม่ได้จะเป็นพรหมจันทร์ก็หาไม่ได้ก็จะบรรพชารักษาทูดงไปต้องการอะไร ปรนิบัติในขรือหัดก็ได้มักผลเหมือนกันแล้วนี้เป็นขรือหัดอยู่ไม่ดีกว่าหรือนะพระผู้เป็นเจ้าเมื่อบรมปิ่นกษัตริย์เท่านี้พระอายุบาลขี้คร้านที่จะตอบประแสะพระราชาองการก็ดุษณีภาพนิ่งไปมิได้ถวายพระพรโตอ ต, อตอบต่อข้อปัญหาปัญจสตาโยนกฆ่าหลวงทั้งปวงห้าร้อยนั้น ก็อาิวันทูลว่ามหาราชค่าแต่บพิษผู้สถิตในสังหะวัตถุการพระอายุบานี้ท่านชำนาญ น, นิกายหา้อาอวิสารโทรไม่กล้ากล้าที่จะวิสัชนาณนะกินจิปฏิภาสติจึงไม่ได้โต้ตอบต่อพจนานพ ร, ราชปุชชาในการบัดนี้อทโขมิลินโธราชาอันดับนั้น สมเด็จพระเจ้ามิลินทรราชเรื่องเดชจะได้ทรงสังเกตนับถือถ้อยคําขราชการทูลเฉลยนั้นหาไม่ได้เห็นพระอายุบาล น, นิ่งไปก็ตบพระหัตตร์ตรัสเย้ยว่าดูก่อนโยนกทั้งปวงเอ่ยอัตมาคิดดูทวีปชมพูนี้สิ้นสุดตุดโชวตะโอ้มาศูนแล้วแท้จริงจากบุคคลที่มีปัญญา ย, ยอดยิ่งปรีชาชาญหรือ ว่าสมณะพระมนาจารย์ผู้ใดที่ปรีชาเชี่ยวชาญเป็นอาจารย์เจ้าหมู่เจ้าคณะและหมู่สงฆ์อันได้เรียนรู้ธรรมะของสมเด็จพระพุทธองค์อาจจะแก้วิมติสงสัยของอัตมานี้ได้เห็นทีจะสิ้นสุดเสียครั้งนี้แล้วหนอฝ่ายโยนกได้ฟังก็ไม่ได้ตอบต่อสนองทูลฉลองพระราชองค์การส่วนพระอายุบาล เห็นอาการดังนั้นจิงดำริว่ามะยังสมนานามะแท้จริงเราเป็นสมณะไม่ควรที่จะทุ่มเทียงไปมาที่จริงปัญหานี้จะวิสัชนาให้ฟังอีกก ah, as ็จะได้แต่ว่าไม่ต้องการที่จะทะเลาะวิวาทข้อซึ่งอัตมาไม่แก้ปัญหาเนวะสาสนสสะอุลุลิกา จะพาพระพุทธศาสนาให้เสื่อมเศร้าไปเป็นว่าหาไม่ได้ดำมริในใจชนนี้แล้วพลางทางอุทาการไปจากสถานที่นั้นส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินทวีบชมพูก็เข้าสู่พระนครตั้งแต่จะทรงพระอนุสรณรำพึงที่จะถามปัญหาจึงตรัสถามอยู่นกข้าหลวงทั้งปวงว่ายังจะมีพระภิกษุรูปใด ที่ปรีชาฉลาดอาจจะแก้ปัญหาพาให้เราสิ้นสงสัยมีที่ไหนบ้างโยนกข้าหลวงทั้งปวงได้ฟังก็ถวายบังคมแล้วก้มหน้านิ่งไปจึงมีพระราชค์การถามไถเนมิติยะอมาตผู้ฉลาดอีกเล่า เรื่องพระนาคเษนมาอาศัยอยู่กับพระอายุบาลเทระวันนั้นพอเนมิติยะอมาตได้ฟังเขาเล่าลือมาว่านาคเสโนพระนาคเษนเจ้าพระองค์หนึ่งอายสสมาผู้มีอายุมิ่งมงกุฎวิสุทธิสงฆ์องค์เอกอาเสกขบุคคลรู้มนตราไตรเพศวิเศษในไสยศาสตร์ รู้พุทธโอวาทเจนจัดพระสูตรพระวินัยพระประมัติปริยัตรตรเพศสุตันตะตรเพศรู้ปฏิเวทธรรมาคมอุดมกว่าเทียราเทียรชาติมีราคาที่กิเลสขาดศูนย์แล้วจากสันดานควรแก่เครื่องสักการอันมนุษย์อินพรมยมยักษ์หมู่นาคหากจะบูชามีปัญญาดุจหนึ่งมหาสมุทรสาคร อันขจรด้วยระลอกชนละทีอาจจะกำจัดเสียซึ่งคําเดียรถีอันกล่าวติเตียนเป็นเสี้ยนหนามความไม่ดีเมื่อจะแปลบาลีก็รุ่งโรดไพรร่อกแก่โสดประสาทเมื่อจะประกาศซึ่งคําสั่งสอนก้าประการแห่งสมเด็จพระชินวรก็มีพระกรกลุ่มแก้วกล่าวแล้วคือพระศาสนายกขึ้นเชิดชูแก่หมู่ประชาให้เห็นแสง เมื่อจัดแจงยกขึ้นซึ่งเครื่องบูชาสมเด็จพระศรีสันเพชเมื่อจะตั้งซึ่งเสาตระเวทปักซึ่งทำให้รอบโลกเลิศหลัมไตรพบพื้นธ ร, รณีเมื่อจะประโคมธรรมดนตรีตีสังคเพรีดีนกระจับปีและสีซอโทน ร, รมานาตุนตรีอันนับได้สี่กล่าวคือปริชาจะชี้แจงให้เห็นแจ้งในพระจัตุราริยสัจธรรมทั้งสี่ ตามพุทโธวาดเมื่อจะเปล่งออกซึ่งธรรมะขะาเชนทร o อุสุเพนทอรนาตสิงหะประกาศอันไพเราะโสตประสาทเมื่อจะยังอากาศให้พิลึกกึกกล้องเรืองรองด้วยสายฟ้าคือปรีชาขนองและเสียงเมฆสนั่นกล้องโกลาหนยังหาฝนให้ตกพรมพรมลงมาเย็นเกษาสกดโลกกระถาทวีปชมพูประกอบด้วยหมู่สงล้อมซ้ายขวา ก็อัญชลีลาพระขีนาศบร้อยโกฎน้อมสิโรโสนบนอกประทักษินสิ้นตติยะวานเวียนสามรอบแล้วลีลาจากคูหาห้องหิมพม า, านเที่ยวสำราญจาริกมาตามคามชนบทนิคมปัจจันตราชธานีบรรลือซึ่งธรรมเพรีเสียงก่องกล่าวคือทมอันวิเศษเทศนาโปรดฝูงประชาชน ในตำบลบ้านเมืองใหญ่กรุงกษัตริย์สามนมาอานุปุปเพนะโดยลำดับดังนี้ก็ถึงกรุงสาขะราชธานีอันเป็นที่อยู่แห่งกรุงมิลินปิ่นทวีปเวียงชัยพระผู้เป็นเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในอสงไขยบริเวณอันเป็นที่อยู่แห่งพระอายุบาลก็มีในการนั้นนี่แหละในมิติยะอมาตเมื่อสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทรราช ระพาดถามทราบความชนนี้จึงกราบทูนว่ามหาราชาข้าแต่สมเด็จบรมบพิษผู้ผ่านพิภ พ, พ, พเวียงชชยอย่าได้ทรงพระดำริเร่าร้อนพระไทยเลยบัดนี้ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งยิ่งยอดปรีชาโฉมงามมีนามชื่อว่าน่าเกษณแสนฉลาดชาติพระหูสูตรทรงสุดตันตะไตรปิฎกเป็นสงฆ์าปรินายกอันวิเศษ สำเร็จปฏิเวท ธ, ธรรมมรคผลเป็นอัคระบุคคลเลิศลำได้ปฏิสัมพิธาธรรมชำนานชานวาสีบารมีธรรมท่วนกำหนดเป็นอัคระชิโนรสเรืองปรีชาทุกเทพชั้นช่อามาองค์อมรินดาวดึงสาวาสุยามยมวรุณกูเวนเวสวรัตตรถหมดทั้งเท้ามหาพรหมเป็นบรมบิดา มหาแห่งโลกเลิศประเสริฐกว่าสูงสวรรค์ย่อมมาถามซึ่งปัญหาน้อมเกาเสียนมรเนนแทบเบื้องบาทพระห น, น้าเกษณ์สิ้นประสาอะไรกับมนุษย์เดินดินจะอวดดีตั้งแต่นี้อย่าได้ทรงพระดำริวิตกวิจารณ์ล้นกล้าวล้นกระ ม, ม่อมจงทราบในพระบวรปรีชาญาณด้วยประการดังนี้อาตโคมิลินโทราชา ลำดับการปางนั้นแท้จริงสมเด็จบรมมิ่งมงกุฎกษัตริย์ขัติยะภูมินมิลินทราชทรงฟังเนมิติยะอมาตย์ออกนามว่าพระนาคเษนขณะนั้นพระไทยเธอไหววันพระโลมาพองสยองพระเกศกลัวเดชพระนาคเษนผู้วิเศษนี้ครันครันมีราชโ อ, อการสั่งเทวมันติยะอมาตย์เร็วพลันว่า ดูกระเทวมันติยะอมบาดเอ๋ยอย่ยาอยู่ช้าเลยสู่ชาวเจ้าจงออกไปยังอสงไขยบริเวณนิมนต์พระหน้าเกษรผู้เป็นเจ้าเข้ามายังราชฐานในการบัดนี้ส่วนเทวะมันติยะอมบาด ร, รับพระราชองการแล้วถอยหลังคลานออกจากราชฐานขมีขมันให้ทันพระราชหฤทัย จึงใช้มหาดเล็กลูกเวนเป็นทูดไปนิมนต์พระนาเคเกษว่าพระองค์การให้อาราธนาเข้ามาสู่พระราชฐานส่วนพระนาเคเกษได้ฟังอาการจึงมีเถระวาจาว่าดูกระทะูดท่านจงกลับไปทูลเถิดว่าอัตมาให้เชิญบรมกษัตริย์ผู้ประเสรศิฐเสด็จมายังสำนักแห่งอัตมาส่วนทูดฟังเถระวาจา ก็นมัส ก, การลามาขมิขมันเรียนแก่เทวะมันติยะอามาตเทวะมันติยะอามาตก็เข้าสู่ราชฐานกราบทูลอาการว่าบัดนี้พระนาคเกษจะเข้ามาสู่ราชฐานหามิได้สั่งให้เชิญเสด็จออกไปที่อสงไขยบริเวณพระนาคเกษถวายพระพรเข้ามาอย่างนี้ เรื่องพระยามิลินเสด็จไปหาพระนาคเษนเถระส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทราธิบดีได้สวนาการทรงฟังก็เสด็จอย่างพระบวรสุวรรณวิชัยบุตรสมบกพระที่นั่งรถเทียนอันเทียมด้วยสินทบอาชาชานดูเห็นอารามเรืองประเทืองด้วยธงปากงอนรถงามระหงใบธงระบุระบาดพระภายพัดต้องแสงทอง แสงแก้วรึงรองแวววาวเศนาธนูน้าวเก่าทันพลขันแหน่าพร้อมด้วยโยธาจตุรงองค์เสนีมีก้องโหร้องแห่แหนพลเสนีนับแสนแห่ห้อมล้อมามีอานุภาพนี้นักหนาดุดพระสุริยาเยื้องรถบททจรเร่งรีบส่องทวีปเมื่อเวลามัชชันติกะสมัย มิธานใดก็ถึงประตูอสงไขยบริเวณพลันจึงสั่งให้ประทับที่นั้นจึงส่งพระขันให้มหาดเล็กเสด็จลงจากรถยานามาตก็เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเข้าสู่พระทวารประตูอสงไขยบริเวณขณะนั้นพระนาคเสดวิสุทธิสงองเอก อ, อาเสกขบุคลเสด็จอยู่ในมณฑลมาละกะอันงามพันนราย อธิบายว่าโรงธรรมการบุเรียนใหญ่มีในกองอสงไขยบริเวณนั้นมีพระภิกษุแปดสิบพันแวดล้อมหน้าหลังดูนี้งามดังเท้าทัตตรรถมหาหงอันลงจับอยู่ที่กลางสสีสาโรตปราโมท ด, ด้วยสกุลหงแปดสิบพันเป็นบริวารดูนี้งามปานกันปริสังทูระโตวทิสวาขณะนั้น สมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ขัตติยะเรืองเดชทอดพระเนตรเห็นแต่บริษัทสงฆ์มิได้รู้จักองค์พระนาคเษนแต่ไกลนีพระราชโอษจากพื้นดินถามเทวะมันติยะอมหาว่าพระนาคเษนผู้ฉลาดองค์ใดนั่งอยู่ที่ไหนเทวะมันติยะอมหาผู้วัยปัญญาจึงกราบถูลว่าขอรับพระราชทานพระนาคเษนนิสัจฉนาการ นั่งอยู่กลางสงฆ์คือองค์นั้นเรื่องพระยามิลินทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสณเถระ ตกพระไทยกลัวครั้นเท้าเือได้ทัศนาการเห็นพระหน้าเคศนก็ตกพระไทยพยะโลมหังสนังบังเกิดพระโลมาพองสยดสยองพระเสียนพระไทยนี้เปลี่นเปลี่ยนปิ่ม ป, ป, ประหนึ่งจะทะลึ่งประราดหนีไปไสยถาจะมีครุวนาฉันใดอุปมาเหมือนมนุษย์อันเห็นยักษีนีผีเสือ้อ เหมือนกวางเห็นเสือเหมือนมรคีหมู่เนื้ออันเห็นสีหราชชาติไกลสอนเหมือนพระจันทร์ล้อมด้วยดาวดารากอนเยีงรถพิมานจรจะพบอสุรินทรารา ช, ชาราหูเหมือนวิลากับหนูเหมือนทีคาชาตนาคงูและเห็นครุดสุดที่จะกลัวตัวสันฉันใดพระเจ้ากรุงมิลินปินพิภพเวียงชัย ทอดพระเนตรเห็นพระนาคเกษแต่ไกลวันนั้นก็กลัวปานกันน้ำพระไทยนี้ครันครันจิตตังนสันทติพระไทยนี้ไหววันตั้งมั่นลงไม่ได้น้ำพระไทยดำริว่าโอ้อัตมานี้แต่อวดดีมานี้ก็นานหาผู้จะต่อต้านไม่ได้ปราชโยอัตมานี้ จะถึงปราชัยหักลงไปวันนี้เป็นมั่นคงเปนาหุปโปรานาเหตุดังนั้นพระอาจารย์ผู้ประเสริฐเกิดในก่อนจึงกล่าวเป็นนิคมคาถาไว้ว่าจะระเนนปิสัมปันนังสุทันตังอุตตเมทะมีทิสวาราชานาคเสนังอิทังวัจนะมัปรวิ กธิกามยาพหูทิฐาสากัะฉาโอสถาพหูนตาทิสังพยังหูติอัชชะตาโสยถา ม, ามะนิสังสยังปราชโย و, มะมะอัชชะพวิสติชโยจะนาคเสนัสะยะถาจิตตังนสันทิตันติใจความในพระคาถาเหมือนในวิสัชนามาแล้ว พาหิราจริยกถาวิสัชนาด้วยพระเจ้ามิลินถามอาจารย์ทั้งปวงภายนอกมีอาจารย์ปูรณะกัดศพเป็นต้นมีพระอายุบาลเป็นปริโยสารที่สุดยุติแต่เท่านี้จบปุพพะประโยคกถา